โอ้ยขอบัรตรปฏิบัติจากัดเท่ห์พมารงมาเสียงว่าเมียไ ม, ม่ไดจงเฮานีา่ทำความเพียรจะจำกัด ต, ต่างนาต่าทําทำอิเ ล, ลอีโลสิมาเห็ดขอวัตรหลอ่อจสื่อส่คมพเพียร่มีกับบ่ได้สิมัว่วจะควมเพียร บ, บังงานส่วนร่วมกับบ่ได ต้องมัดนี่เดียวแต่ท้ายที่กุตา ม, ม ก, กันเยอมคีบหัวผัลผวยผุบเลยันัันกร ะ, ประไปรุกซิ่งทุกยางเครื่องใส่ของซอยเพือคือไก่ผู้ดใดสอบฟี่เพื่อแกงมูล่าบดได้ละอยู่ในผลบได้ หายหลดบ่รอดเจาเลยดีไวาชี้วันทอนสบายไว้เถอะคุบ้าอาจารย์รมือบ่มีเพื่อนบ่มีตาไว้เถอะใบตองูกระซินุ่งมันผุนไรจะคอาได้บ่มัน็นควนแหลกฮวนเหลือก เอาตามเอาเพื่อใจเฮ้ยอจ้มูเฮานี่ได้หย่านก็ได้กินทอเพลินหย่านก็ได้นอนทอเพลินหย่านก็มีลาบมีหยดทอเพลินหย่านก็ได้ใส่ของฟีฟีทอเพลินหรือเรือนเพลิน ว่าได้เรางู่มาหลวงปู่มหาก็คือกันว ก, น, กนียก็คือกันหมดนะท่างผ้าหน้าเราคอยล้างจุกูอยู่่็เป็นอาการงานชวนร่วมขันมันได้การงานคือว่าอาการเรือ ส่วนตัวก็มันได้ส่วนตัวมีเดินในกลุ่มเพราะว่าน่าเก็บสิ่งเก็บของตามสติกาลังมูนี่ห้ายให้ซ้ำ ม, มูนี้รถ่ายยอเดียวถือตี่อนัตตาห้ายเป็นทะ่สักว่าลู่ห่ายมูนี้เป็นที่สักว่าลู่พ่อห่ายแนยวควรห่ายก็มีอนัต ถ, ถืออนัตตาห่ายกับมีม่เพื่องเสียงว่า เฮ็ดบกสมออยู่ในรงควายนี่บึมบ่บึมบ่เสียงเทบบกสมอโคโกโโกโลได้ยินหอดพุ่มมาโหลคนเขาละหายลงไปมือนี้โอ้ยคอยเอาไปเท่ลงเหวคนได้นี่ยวัสดอข่อยข่อยทำเลยแม้วัสดเสียงเท่บกสมอเสียคุโกโลหนูได้ยินหอดสีไดคนจะเสะเอาอยู่ในเสียงมา สองใส่จ้าคอยสงเงียบไปเนี่ยขันเอาหน้ามันหอดไปใส่เนี่ยเมาคับๆมันเย็นสก่อนอออก็เอาไปใส่เนี่เป็นวิ่ทรากินวิ่ทราขี ปูพว ก, กว่ามั้งนี่แล้อาสมมาส่งลงปูดอกก็ใ่หมอหนึงผันอาสีบทั้งขาหมูทั้ขาไม่หยีใดจักหมือนโตแล้วอาชัน โตกันบ่อยังสัน่นมันก็เศ้าทันแล้วขจิกขาเ ข, ขะะาเราขียกปลาแล้วเศาพูม่ได้กินหัวเออก็เป็นเรื่องของไฟของมันกรรมของไฟของมันทีนว่ายะเหนื่อยะวะทั้งแล้ก็กลินนปตามกรรมของไฟของมันตระตามกรรมถูกเพื่นกระตามกรรมเพื่น นี่กลับคนละแน่วละแน่วคนละพันแน่ยวยังหลามอ่เพียงนี่จะทุกขกับตายในโลกนี้ดูแบบทุกๆ ติ้งคุกกันบุญไหว้ใส่พงโลเขาเป็นนาเรือมใส่ห ม, ม, ม้อมังนโหลอกกันนี่เนี่ยแต่อ่อนใจเมืดเรื่องอะไกัน ด่านขาลาวะกับเป็นวนวุ่ น, นด่านพุทธาสิษฐากับมุ่นไอ้ป้ายเอโรถเศรษฐกิจตกต่ำหมดเพราะคนไก่ชินไก่ทํา ผู้ดเริ่มไช้นับถือพุทธาศาสนาภาษิมาสามว่าแปลงผู้ว่าแผนถีนว่ว่าปนไม่จีกก็มีโอ้ยมันเป็นเป็นนานายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น พันยมอือนเนี่ยโมเอือนพันยฮอเนสัตนี่พนยงสัตเนสตพนย่งตันไปพนพแล้ว่แล้วล่ะมันเ่ยงงไปง่ายๆไอ้จดหลยงได้ ภูเกะนี่จะภูปอยใหยุ่งภัยแก่ไัต่างคนต่างแก่จะของมันก็ใครแย่โลกกันนี่เป็นโต๊ะคนโต๊ะนอตามเป็นใบรถใครเคยข้าอันนั้นมาหน้าอันไหนกัะ พะนามพวนาตออุของบุญเจ้าของขันละพรกรพาวน้าภรวนาข่มเก่าขมวดไอข่มใหม่ไ่ได้ใสทุกกระทุกอันเก่าวไดไทุกไม้ไม่ได้ใสใจใจอันเก่าวัดไใจอันไม้ไ่ได้ใสกายกับกายอันเก่าวัดไกายอันไมไม่ได้ใสมีเาของเก่าหมด ข้หมองข้หมองของเก่าประเด็นของใหม่มาจะใช้ผม อ, อผมนึกขอ้อ ม, ม, มคิดกันเดียวกันเราหลุดบกผุนกวนเวียนกันอยู่ถูกครับวันเค้มซ่อนกับบุญมี หาบนเข็มซ่อนกับบมีโค้งตายกับหาบนเข็มซ่อนกับบมีแท่งพระบรรไดถือคือโค้มตายโค้งเก็บก็บคือการกอนเกิดก็คือกันแท้งบรรไดเกิดไปถือตะกอนเกิดมัด น, น้งหุ่มอยู่ใน ก, ก็ะดาสีแท้งบรรไนก็ถือต่กอนป่วยก่อนเนา่าหมดนางนึงว่าพาะวานินาพู้ท้อไปซ์ ฉันจะหัวดอกมหอยหลายอย่างโยยามไรคือกันมัาถึงอุปจารและสมาธิเป็นชั้นท่าจริตหม้อเลี้ยงผลคาเตหมูมานำกันเนี่ยสุนทงโอผนลูปมามีตะขอนลุมตัวตีผมมาเรียนมาชัธนท่าจอดในตัวตัวนี่ก็ได้ เ, เมื่อเช้าเล่นๆขแมนบอกักมาดีมาตัวชั ป, ป, ปีเอาลดอยงายานโนมนั่งก็ไดนี้มีสองโม่โมวานในใครเนีย่ยก่อนมมีคนท่าคนบสดวก มันท่ามันมามาทุ่มมาดีกันยังไขรแน่ทุ่มมาเจตนาพอดีนะ่ะมันล้ายอะ่ะเดี๋ยวพวกป่วยจนะพากวันไปเบิ่งกัน อันไหนเงนเพิ่นบ่อได้สร้างไว้ให้ไม้เห็ดซะเงืนที่จ่ายไปให้เป็นเงินเพิ่นเนเอาบัตรที่ไปเพิ่นเห็นอันเงืนที่ห่อปุงแกงขึ้นเห็ดเนี่ยอื่นเพิ่นพ่อได้สร้างไว้ให้เป็นเหลี่องเงินเท่าซะบอกว่าจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วอันนี้เป็นเหลี่ยงผ้าปูงแตกงขึ้นให้ไม้เหตุไว้ห่าเห็ด สร้างการสร้างงานกับสร้างเฉพาะที่โครงการเขาเพิ่นเฮ็ดไว้ฮะแต่ถ้เาเพิ่มขึ้นน่ะถ้าเอาเงินว่าเท่าซหร่เพิ่นชีวา่าได้เท่าไหก็ไม่พอได้เท่าไหรก็ไม่พ อ, พอเยอะนั้นเพิ่มนั่นคือเพิ่มมานี่ขึ้นเสมอเสมอผู้จ่ายค่าแรงงานก็เป็นเราแล้วก็ไม่ไหวละชีว่า เวลาเราไม่อยู่ทําสารพัดขึ้นแล้วเอาก็เอาบัญชีเป็นตัวเงินของเราเฉยๆเดี๋ยวมันก็ย่งอีกกันไฟนี่จ้าเขาใช้จักสองพันปีปีกายนี่จา 1, ้าพันหนึ่งมีแต่เง้ยวุ่นๆนี่เดี๋ยน ว่างเดือนสามออกหม้เก่อนกระดาอีดอกไฟกระบบไข่หม่ก่ลเดือนสามดอกถามว่าเจีเดี๋ยนี่พันหุ่นพั้นใหม่ใหม่หั่นพันโรนพระเนียนเตริะนรรมเจริ้นกับพรกัตตัางใจเนี่ยต่างข้นต่างมาสุขสานทุก้นนั่นแหะ อยู่น้ามันกระดายบัวตะเกียบกรมจะจะข้นทางภากันมาเองสมมติใคง ท, ท่านจังใจดีๆอ่านแผนมันมาเป็นถ้ำจะจิเอามาว่างแซมงแส่เพื่อนไพกระดายอันวางแผนที่เป็นถ้ำจยสูว่างาวางแผนที่เป็นถ้ำก็วางแผนทนไร้ขึ้นฟ้ามันอันเดียวกันทั้งนั้น เราลงเสานาจะคลองหันเห็นบบแผนข้อมูลนิตบูเห็นเขาไปหลอดแผนปน่นแผนสะดงค้นมุนบูเห็นเขาไปหลอดพ้นชุดไายอาเปย์เวนนะ่ะแผนไปมาผล้ น, น, น, นลีนผ่านผิดไม่จริงสิไปหลอดม็ดผาดเขมีประตูแก่เม็ดปลซ่ากขามีเขายัางได้กำไลอยู่ มันที่มีศาสตร์มีพบอยู่ตั้งหมืน่นศาสตร์แสนศาสตร์ล้านศาสตร์ยังมีกำไรอยู่แผนไปทางบอดีมิได้ขาดทุนลงมาละหกคนละก็คือบอกจักเสือใจถึงทางแผนบอดีวะเนี่ย มันก็เป็นเอาไพกกวางแผนคือกันแผนมาบวชกวางเทื่อจิตซาสมกุศลพนบุญเพราผล ท, ทุกในวาราทุกสารมีศาตร์มีภพอ ย, ยู่ก็เจาให้มันด้หับเด็เทินหัวลังนูนมาหลายมันบุคคลในาศาตว์นีศาตว์นาก็ได้มีแผนเท่านั้นแผนของพระของเนน ว่าวแผนเป็นพระแสดงเงีงเน้นแสดงงงไปทางอื่นมันหันไปเอามันทับถมเจ้าของหันมันไม่ได้ทับถมพื่นแผนไปทางพิดเกือบบ้วนน้ำลายคือฟ้าหมดมาโตจะเป็นคนฉลาดมอแมนนี่ เพชดอาภักเพชรดตาทคัางจะฟของกัดหางจะโของก็คือหางห่วกเนี่แผนจะเลินเดีย๋ยวนี้พระละมันเบามาได้แล้วมันหนากในเบิ้อ ย, ยูบบ่อยว่าสันกัน ยังโมเป็นงานนะ่กกนไหนพาะบได้หามพอโบได้หาบพอบได้อดพอโบได้หามอบามอได้ขอ ม, มีตะเบิงมั น, มนหัวเป็นธรรมดาแต่หลังกายก็ยังได้เบิงอยู่เสมอยังได้อาบได้ซีอยยังได้หอมเผาหอมแพ่ใ ห, ยอยอหอ้อยู่สุขของภายนอกอีก่ได้เบิงยังไรเกียเ่ยวกับหนังกับใน นึ่เกี่ยวกับขอวดัดพายนอกเสนาสนาวัดอเนก ว, วัดวัดวัดเวทจะวัดก็ดีกุตติวัดก็ดีเรือในกรมภาวนาวัดก็ดีมันก็จัดเข่าวในสีละวัดสมาธิวัดปัญญาวัดทั้ ง, น, ง, งนั้นละครมุ่งให้ชมดูกันเพรามันทีนั่งรับจานาเดียวเนี่ยก็พราะมันสีเดินในกมรมภาวนาอยู่นาเดียวคือกัน นำเมื่อแรงมาสั้าน้ำหยอนดน้ำซ่าแล้วเฝา้าเขาหาเขางผ่เขามันเนี่ยมาเป็นตาสาเทศจะไปคุยกันจับปกกับเราเอมอมมีมีน้ำกุฏิวิหารบอดีเหมือนไงแต่มันจำเป็น ศึกษาธรรมะธมกันกันเป็นแนวหนึ่งหรือศึกษาทา้งควอมจเจริญไปทางหน้ากเป็นแนวนึนงมันมันที่หาบกไห้ศึกษาหารื้อกันศึกษาอะไรว่างแผลอันน่้เป็นประโยชน์แกท้ามไม่ได้เห็นอันนั่นแหะทั่งเสื่อมละ ตายไปแล้วของเพยของมั่นหน้ามือเส่าลงไปแต่อา ส, าสนะเสน่หไม่ที่ฟอกที่ฟันบอกหลายเทือ่อนอ่ะ กะเน็บว่าให้ยใส่สบายได้ได้บิดได้เอี่ยวไปจนสิลมตายโอ้ยผู้เบิงคนมันวัดนว่นนาผู้นึง่งเบิงผู้นึงเบิงกับใครเนีย่ยโซอแส ด, ดงให้ให้ละอา่าทั้งนั้นของมวยกันบุมีๆๆแท้แท้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้ววังผ่นมิพระเต็มยัว ย, ๆๆยัวโยควาดดำท่านั้นกับผู้เฮ็ด เมื่อกี้ไปตาจากว้านี่พามีเนื้เต็มยัวยัวอยู่ให้ได้บิดได้เอี่ยวไปเอาวัสัญยุทธิบ พ, พราะว่าขี่สนามพุนแล้วเจ้ามาว่างมายังไว้ให้ได้ยิบง่ายๆใส่ง่ายๆกับ่เห็ดข้าวมะเคยปฏิบัติคู่กา่าอาจารย์ม่ายอางาัย์ข้าหลุกเป็นตะุกอยู่ ไป ใ, ใ, ใ, ใ, ใ, ใ, ให้ไ้เทศไทยไปซับปานไฟ่ใหม่ปลาล่ามไปทั่วทิบทั่วแดนให้วเสนแว่นิกะฮปะกะห า, ะะหาตอนนี้นมันถืกกระท่งเสริมตอนนี้นมันผิด กระคมการพบข้องขโมูว่าไม่นี่ค้าหาไม่พักคหาก็เปลี่ยนปลายบ่ได้ทางพระเจ้าก็คือกันพระพุทธเจ้าให้ให้พระสุทินคือกันมันดีสำหรับเธอน่ะมันบดีสำหรับสาหรับผู้อื่นมาัมันบุดีสำหรับกับนักปาร มหาบุรุดโมห์โมาบุรุษโมคาบุรุด ห, หายอยู่พอไปสบิบเมทุนก็เมียเล็กๆน้อยๆมือกัะพุทธเจ้าหามหานหันอยู่พ้นๆไปแล้วพ้นคัดของในจิตพ้นว่หือวะเน แ้าคัดคองแล้วพายวาผู้คนพนไปแล้วสิ่ทส่งเสริมพระธรมพิธจืกเถือไม่ตะกิจแต่ขวงไม่แต่มันห้ำห้ำห้ำนพายวาผู้คนก่เจิ๋วยินดีในบาปจืกเถื่อในบาจืกเถือพายวาพระอาญายิ่งดีในทางไปพระธรรมิธจืกเถือคนยินดียินลายบ่สันเ่าท่านตายก็ไม่ยินดียินลายอยู่ห น, นเนี่ยขอสูพ้พระในพลานไปแหละเป็นเรื่องหนึ่ง สูพระธปริาักสุขพ้นตายไปแล้วแห้งดีแล้วห้อจะไม่แห้งเบาพอยสั่นพันยังอยู่สี่ขาดจมเส้เส่าจมเส้แรงนั่นนี่นี้ว่าสั่นไปเสียดายอะไรพ้นแห้งไปหอกปหายัห้งมาแล้วหาก็จะป่าพ้นเอยยินงพนังหงำไหว้ที่เออ ควบนี่คือควบชําคั้นแล้สิคนละสังข่ายยังงาแล้วพอมีูกถวายเพิ่มเพิ่งแล้วไถ่สามเดือนคนละแล้วจะประทุ่มสูงทาทั้งข่ายยังง่ายคนละคนแล้วก็ชดใช้จเอาเป็นอย่างย่างคนลม วนไหบอมี่พอมีเมียกบข้องเป็นผ่าได้บอกวันไดนบอมีบอมี่พอมีเมีคู่บ่าอาจารย์พบข้องเป็นปานาน่าได้บอกอนท้อคนหม่ท่อไม่บม่ร้งกันแต่มี่พอมีแม่ยังก็ยังปีนแท้กันยุ่นนี่เห็นไห ูเต่าบางบอนพ่อแม่ตายไปแล้วจะเจื่ญนขึ้นก้เกา่าบางบอนเสมอเกา่าบางบอนเร็้วกว้เกา่าแ่เ่ ใจเห็นภัยในวาราท้งสารยังบ่มีการวันกัางคืนไพ่เป็นพระหรหัสามาัตยในถ่องเรืละหมดส่วนมายุสิ บ, บมันดีถือข้อนคู่บาอาจารย์ว่าพอแห้งแล้วคือกัน เพิ่มคนสิ่วละม่านนายกินหน่อยเพิ่มก็ว่ากินหลายยางไว้เพิ่มก็ว่ายางสะตอวข่อยมือมโนคนว่าตัวม่มโนโม า, มานทุกทิ่ทุกเด่นก็เปนจริงมันก็แม่งควบเพิมม่นเมื่แม่งควบตั ด, ดีๆพอปานขับรถผิดออทางเลยฮะพวกมาไล่ไซรรถผู้บัอายการ ตกละมือหนึ่งถือขอมือหนึ่งคัดผ้าเขาคนสั่นสูงเขามาถ้าจะพายจะไป เปนแอบขออันนั้นข อ, อ น, นี่เขาเป็นพิเศษเนอะทว่าบอกบอกเนอะข้าเห็นนะข้าวไรนี้ตอนนาแขกคนละอันนี้เขาถุ่มเทศสซวัตรชอบเองแห้งนะมันเหนือขอไปแล้วแต่มันเป็นชิดของเขาเนื้อปฏิปไปเดียนะพวก เ, เขา อัตมาอย่างไดอันนั้นคุณแม่อัตมาอยากได้นี่คุณแม่ขึ้นไปแล้วเ่ละไล่ใ น, ใ น, น้รลดะค่ายตอนอาคุณหรือม่ของส่วนตัวมีพ่อได้ใส่ได้ซอยลเลยอชีวอนทอนสบายเอาพูละสามพื้นกับพ่อไดอยู่เดี๋ยวนี้อาสวงีเอาพูดละสี่พื้นก็ยังพ่อใดอยู่มุงเสืเอาพูละสองหัวหก็ยังพอดอยู่ เสียไข่เนมีพอได้กินไดน้สรนโ้วนี่วเวลาอีดีกว่าเือวิสัยกับเขาลงพยาบาลพ่อได้ไปอย่สำรับเน้นจะต่างใจทัพ้พวกเพี่นเนี่ย ที่ตั้งนาว่าต่ค่อยรับใส่พระส่วนของตัวเราบ๊อบเดินโยกลมพ่อวนาเขาไม่ไปเอาเนียที่ตั้งน า, าแต่ค่อยมาตตนมหอค่อยรับใสพ่นนพระถนนยังบ่พอดนยกรมพาา่อวานากรพักันเหตุแ น, น่ละบ่แล้วขึ้นนอนก็อพองเอาพองเอาหอนมือเศ้เามื่อว่าจริญก็มีต่เสื่อมมันแหละเช้าขึ้นลูกเดินโกรมพอวนาไม่าะเคลือบบบุย่านเทวอามือเศร้าต้ององเอา เล็กมันสิดีปะไหนก็นตามขันบ่มีหินห้องหับมันจะคมบ่เลื่อยก็คือการอะไรบ่มีเล็กสีสีอยู่มันจะคมบ่ สภาพของโลกมันมาสรรม่ำเสมอว่าแต่ยุคใดผาใดมันปะมันปนกันอยู่ทั้งนักปราชญ์ทั้งคนผานทั้งผู้ต่างใจผู้ว่าทั้งผู้ว่าต่างใจปะปนกันอยู่บวพอเดียวอยู่ไต่น้ามันยังมีอยู่ดอกบานกับบานเต็มพูม่มดอกถูมถูมเต็มพูม่พมดอกเสมอหนา้าเสมอหน้าเต็มพูม่มดอกคอือไ ต, ต่หน้ากัเต็มเต็มพูม่ม เป็นักษาแห่งป่าและเตา้าดกบัวปอาเดียวครับอุปมาคือคนในโลกเนี่ยแต่ละดอกแต่ละลร่ของพุกคลขันถ้ามุงภ้ายนอกหลกายกัวผ้ายในมุงภายนอกมุงส่วนร่ว ม, มันบวขาดทุนนี่ ขนมพ่ายนอกมุ่งส่วนกระเป๋าจะคลองขาดทุนทั้งนั้นมุ่งพ่ายนอกมุ่งส่วนร่วมแกมูแกเพื่อนแกประเทศชาติบ้านเมืองแกคู่บ้านไอการแกผู้ถ่ายศาสนาเนี่ยอันนั้นไม่เจเริ่องผืนทั้งน้านั่นอันมุ่งมูชากิเลสเท่าผู้เดียวนะั่นมุ่งกระเป๋าเห่าท่องเห่าใส่เห่า ใส่รู้ร้แล้วล้าน่ะตามอำเภอใจ น, นั่นหละค้าวีดินหละมุงเนี่นว่างแผนผิดแล้วไม่ทับถมเจ้าของหลมุงอยา่างไผมันเป็นที่เบกใจคู่ว่าอาจาันในหมู่เพื่อนอันนันมันจะเลื่อนขึ้นหนอเนี่นั่นบอกใจกับเล่าอีกด้วย เนี่ยจะเริ่นขึ้นหนานะเนี่ยพวกขาดทุนมุงสิ่งต้องการบูชาคีเรศแล้วพี่ๆนี่ว่าหายมันจอยไรเลยคีเระตกลมต้องจมทั้งนั้นหละไปบวรอดใคก็ใไรเธอะ อายุสันักได้ก็สํมกาวหันละกันม่งส่งอายุนําสัมนักพระอระหันก็เห็นถ้าผ่าชีว่านเพลินลนะจอมผ่าชีวว่นมันผูกข้อที่มันก็เพนอยู่กับไปกันคนทัโลกคนทิกับทิตะกะีว่านนะจิตนาวาป่อยังสัง่งจิตนาวาเป็นธรรมันพะิดไปบดเอาหลด มันนึงขึ้นหนึ่งไม่หยีทีสีสงมงเราเลทําความเพียรขนาดใดนในหยีทีโมงเนะี่ยเราได้นึกเลยคิดไปจังไหนเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลบ้างหรือไม่สงเคราะขอในภาวน่าได้หรือไม่เรานึกนอกคิดไปน่ะหรือของมีใจทรงเสริมกิเลต เมื่อก็ต้องรูกตัวต้องของจับตัวก็คมคิดคงมคิดมันมเป็นตัวเป็นตั ว, น, ตวนึกไปใส้มันกระด้เวิดแผนบวดีก็สิเอามันมาสเรเลียมันไหวให้ยัง้งจะทำลายมันหรอก เพนดีนะ่บอกอึดจะบอกเพนเพนจิขันเมื่อง่ายเหี่มาเหงแเพนบ่เป็นท้ำสิเย็ดเห็นยังสิทรงเสิอมันเห็นยั ง, ง, ยงพอหาเป็นผู้สามึ้นอ <c oughs> ุบายได้มันจิตอุบายส่วนร่วม อุบายอะมันสิเป่าใจคู่บ่อาจารย์และมูเพื่อนกระเฮ็ดอุบายอันนั้นตัวมันยังสิเมีนเรืเ่องสวดกระทิ้นกด็ดีเรื่องฟันที่โมกก็ดีเมื่อผู้น้อย สัญญาติกันตามอำเภอใจไมนเป็นอาทีพระเวไนยมันเป็นอาทีของพระภูใหญ่ที่เห็นสมควรองไหนองไรองไรที่เพิ่งมาหายสงปรึกษากันเดิ่วว่าก็สอแสดงนะครับมานะทิทีของครูบาอาจารย์เบอมีก็มันจริงพระเวไนยเหมาะเป็นเรื่องผููใหญ่เลยภูใหญ่เห็นสมควร คุณใดก็แล้วแต่ทิฏฐิสามัญญาตาความเห็นเสมอกัน ความเห็นเสมอกันที่เห็นอย่างไรจิตว่าเสมอกันผู้คิดจำจิตวันสูงเสยใช่ไหมเสมอกันอย่างไดมีความเห็นเสมอกันหวังว่ามีเจีตนาเสมอกันหลังเอาปฏิบัติเพื่อผลทุกในวาระสงสาราเียก ว, ว่าความเห็นเสมอกันส่วนจิตที่สูงสิจจำก็การนันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มีเกตนา้ายังสั้นแล้ว เนี่ยเอ้ยมันคัดของมันกระปองง่า ย, ยู่ค่ำมันเจตนาเปน็นคนละเงินบวชมาเพ่กขวงหมูซื่อมันก็นยากคันแล้วพลึงพ่ายเหื่อพลึงเดืกขาลาน้ำ เรือกัลจ่ซีมันเป็นเรือของผู้อื่นเขาหายก็ได้เขาไมให้ก็บม่มันสีมีนะาโยวายไปขี่ไปปดไปแพ่ไปคอไปขไปูดไปเกาคนสุดท้ายยังมอบใสพระภูธพระธรรมประสงค์อีกแมาน้อยกัมันของพระูดพระธรรมประสงค์แม่ร้ายกับมันของพระูดพระธรรมประสงค์ ว่มันของเล่าสิได้น้อยมากมันเกิดทเสียใจได้หลายมากมัน็ปิติดอยู่ที่สังข์ขัญอาบุญวัดชนะตัวแหงได้น้อยว่ามากเปิที่สังขัญอาบุญวัดชนาตัวโมีที่หอมที่ตอมเขาหน่อยก็มอะแต่พราะพุทธประทับระสง์มัสยิดสลายก็มารว่าเป็นของเพลนมดแล้วมัเป็นจริงมันก็เป็นที่สัตว์อีหรี่ก็เป็นท้องเพินอหี่นะเราเห็นแก่ขาซื้อเพลิน ผลศิลป์ผทานห้ามมีบอกสันมีก็เป็นไพรสันเป็นผู้มาสร้างสอนไว้กระบวนพระพุทธเจ้าครับอบุญวัดชนะผู้ข่าในสางมัจจิสักกอนี่สิบวาบอกป่สิว่าก็สิก้สิสางมัจจสักกรไพรพระเป็นผู้มาสร้างมาสอนสันก็บวนพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระญรงทั้งหลายเบมันก็บ่รพบอยู่ของผลอยู่ในสมเก่าเนี่ เขา่าสิสราดเป็นคนสูงขื่นเนี่ยสารวิย ม, มาสอนเท่าท่านมันเท่าอบร่มเป็นค้นบางคนสลดัดมันจะพกคนกรกติก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายคือเกา่าฮนะท่รมทั้งหลายประสงค์ทั้งหลายคือเกา่าไอสัารมันจังบ่าผลเป็นเมื่องขึ้นไรของหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าสิดำดินบินบนไปเดียวนี่ก็มันคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์น่ะที่มาสร้างสอนไว้ในวิชาทั้งหลายนะเจ้าดิสาม่าจะได้พบได้สารได้ก็ะตัมเถาะ เจ้าเป็นคนสั้นสูงกับมันเจ้าสางเอาเจ้าเป็นคนสั้นต่ำกับมันเจ้าสางเอาก็ดีเจ้าเป็นคนมีบุญร้ายกับมันเจ้าสางเอาก็ดีมันไผ่แผ่นพุทธบอกไผ่ละบาปบำเพ็ญบุญก็มีได้ถ้าพระพุทธเจ้าสุ่มเดียวคนตัวเพิ่งเป็นท่ามันเดี่ยวกันที่ลวงไปแล้วก็ได้จริงเท่านมาถึงก็ดีที่จะเปลีนไปในขรังหน้าก็ดีมันก็บอกไม่แน่สีอากตันยู่มันก็บอกไม่แนวสี่มนโอมใส่เจ้าห้องโตผู้เดียว นอบใช้แต่ว่า บ, บุญวัฒนากูกูสร้าง ม, มาบางสันทิฏฐิมานล้วมาันก็ขึ้นจัดทีเนี่ก็สิเดสร้าง ม, มาบา ง, งกับพระพุทธเจ้าทำลายแต่าองค์องค์กอนกองก้อนผลสร้างสอนมาของชนอานิอโรถของเป็นคํำสอนอันเดียวกันเขามียุทุกยุทุกสมัยของโลกเรื่องข้ออันเดียวกันเออเตเอร์อรรถ คนทั้งหลายมักเริ่มตัวเี่คันมีลามียอดมาแด่แล้ ว, ว่าบุญกูบุญกูนาเดียวเออบุญเจาะหรืใครมาบอกใครสร้างบุญใช่พอเจาสิเดเห็ุคนดีมาแต่ในาศาสตร์กรกรได้มมติเนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเห็นบมพระธรรมทั้งหลายพระเดียสงศ์ทั้งหลายเนไหเจาะจังหงจักไขท่านรักษาชินพ่อมาหนาเป็นเจาะิสรษะมาพบได้าศาสตร์ได้เจ้คนกแต่กับต่างกันกระสรก็มพระพุทธเจ้าองค์องค์งบอกสร้างสอนไว อ่อาตลอดออพ่อเมียพี่หนอกปุญาตาหน่ายในไตโลกระถาเมันเนีสร้างกุศลชิ้นท่านนำกุฏิเจ้ามาเท้งนั้นแหะมันจังได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถันมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันอักตันยู่งซื่อๆมันก็ไอ้ลบทุนไปถนอกทุ่เป็นเม็ดชาที่ทีหมดเนี่ เกิดมาแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมอนันอกตันยู่ซื้อมั น, มนจือ่อศาสตร์ชื่อพวกธอะไรของพุทธุส้นเนี่ยถ้ามันเแวะไปทางไหนมันก็คือสันพระโสดาบาันชะกท่าค่ามีผงได้ถือผีถือส้างเหมือนคุณของพระพุทธเจ้าทั้ทงหลายศาสตร์กรผลแต่ ส, สั่งสอนมามป็จนจังไรเมาเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพุทธส้นคนหนาอย่าวันม่อนถึงพระสวัสดาบันบานมีผู้ใดปั้นไปทางไหนมันก็แว่ซื้อดอกพวกเศรษฐีมีมั่งมุ่นพวกประเทศชาติที่ประทือพุทธศาสตร์าติศาสนามุ่ง มันบุญพระพุทธพระธรรมผส์ของเก่าเมันเคยได้อบลมมุมในสกับพระพุทธพระธรรมระสง์ของเก่าจะมาทำมันเป็นโลกขีดมันจังพอเสื่อมได้ไม่ใช่นํามาเกิดเป็นมนุษย์เพราประเทศรัสเซียพราประเทศแก้วพวกเนี่ยสมเขาว่ถือว่าไม่บุญไม่บาปมุ่นเขาเนียก่อประพฤติเพื่อเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาคือกันแต่เมื่อมันเป็นพุทธส้นคนหนาเนี่มันเกิดขึ้นมามันบริเนอนมันเลยเปลี่ยนใหม่ จะแม่มันก็ขาดทุน ไ, ไหมฮะเน่ยตายไปสาดนี่ก้วจะเกิดเป็นปิน่นพุทมาเป็นมนุษย์อีกไ่จักจกักซาดจักพบผุ้หันถืถอม้อยบาหมื่นเพราะอักตันยูพระพุทธเจ้าองค์งดก่อนพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วมักก็ลอยโกรธผลชิซิมาในอณนช่างนาคือกัน เขถือศาสร์ชนะพูดดีๆเขาคือลำคือรวยเถอะเกแต่ศาสตร์คนก่อนผุดได้หร่าไะมันต่างลานศาสตร์แสนศาสตร์ผุนมันเป็นมากโกรธโกรธอสงไขผ่ผุ่นตอันนี้สงเตรศาสตร์คนก่อนผุนอันนี้โค ว, วิดมัวเระหกมากเดี๋วมาเกิดอาจเป็นได้ ในโลกนี้ได้จิตท้อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันมีหรอกฉันพระพุ่นทั้งปวงเป็นเมื่อขื่นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหลักคำสอนทั้งปวงก็เป็นเมื่อขึ้นของคาสอนของพระพุทธศ า, าสนามดนอหลักจเขายนระดับได้องสันระเซินระดับนักจร ก็เป็นจริงวันเป็นแสงสันก็เป็นจริงของธรรม ไตลกระถ่าเนยพรที่สคัญว่าสละอาารรพณ์ประทังเนี่ยพรที่สำคัญว่าเป็นโหรทาหน้าท้ายทักเ ก, ง ก, งเกงเ่งประทังเราบ่สิสูขคําสอนพระพุทธธรรมประสง์ไว้ได้บ่สูเห็ุไปยังสั่นสู้ที่ชิบหายเด้สู้เห็ุไปยังสั่น์สู้จังสิจรรย์นเลยบอกไว้ทั้งพระิสุสเนี่นุบาอุบาริกาพแห้งเียวว่าโหเอก ถ่ไปแต่ปางเลยผมยังขิวยังเมีนอยู่ผู้สิถายไปทา้งนากับกงเงินพับอีกกันพระพุทธเจ้าสิถยไปทั้งนาก็ได้ท่าบาปต้องเป็นบาปท่านบุญต้องเป็นบุญเนอะท่าัไ่ขึ้นฝ่าต้องตกชนะาจะาของเนอะไปทั่งโมเมนพระพุทธเจ้าองค์ไหก็มาเทดต้องเดียวกันมัดลงเอยกันมันความจริงของทรรมก็เป็นอย่างนั้น ถือศาสร์บสนาหรือบถือก็ตามแร้หรอทมไล่ขึ้นฟ้าตอกเสนาจากของของเก่าพอทํำก่าแล้วเพิ่งของก่ำมาสูงก็เล่าอยู่แล้วก็มาทานเนี่ยมันต้องบริกรรมติดต่ออยู่ปุ่มเกินยังเกินมันยังอยู่เลย หงเหินจำมะยามาคือเห้ยนี่ไม่ได้แล้วมันทั้งบริกรรมสักกันร่วมร่ว ม, วมก็ตามต้องบริกรรมอย้อนแล้วจันรีดมือกระดุกขุนต้องไปสิใช้ปัญญาบริกรรมไปว่ากำกับอยู่ของสัญญาต่อสัญญาไปแก่กัน ควมสำคัญต่อควมสำคัญมันไปแก่กันควมสำคัญว่าสวยว่าง่ายหมดควบสำคัญว่ามันป่วยมันเน่านี่มันไปแก่กันควบสองขัญนว่ามันหมันมันเทียงควบสองขั้นว่าบวมหมันบ่าเทียงพหี่ยวมันสิไปแก่กันส่วนควบสองขัญนนั้นมันเป็นสุปควมสำคขัญนว่าเป็นทุกข์ผิดมันยังสิ่ไปแก้มันสำคัญถือทั้งนี้ สำคัญอะมันเป็นสุกมันสําคัญผิดสําคัญอาเป็นซุกกับสาคัญว่าเป็นสุกได้แต่พายในผ่านวันเดียวตามกระหน่นลงมาจะสุฟาวาว่ามันสินอนใจเม่ถึงพายในผพานมันสิในสุกมาจะใสมันยังมีเกิดแก่เก็บตายอยู่ความสำคัญอาเป็นเล่าเป็นเขาเป็นซับเป็นบุก้นตามสมุดบรรยัติน่ะ ความสำคัญอนะว่ามันสัดว่ามันบุคคลพอได้พี่เจ้าแด้หรออันนั่นแหละมันถือว่าลบล้างลบล่างอันทิฐิความเห็นผิดความสําคัญ่ะว่ามีบาไม่บุญก็ความสาคัญอนะ ม, มีบาไม่บุญเนะี่ย ม, มันถือวาลบล้างลบล้างเป็นถ้ำด้วยเป็นจริงด้วยมันมันลบล้างโอเคเอาชนะ ธรรมชาติอันจริงของธรรมด้วยความสำคัญว่าขีดข้านกับความสำคัญว่ามันมันล่ะมันชีวิตสถานกัน สัญญาต่อสัญญามันลังอักันอสุภสัญญาก็เอาสุภาสัญญาความเห็นว่ามันสวยมันงามอสุภสัญญามันจะไปแก้มิลากะสัญญา วาขะสัญญาน่ไปแกไปแกขั้วกำนัดคว้วกำนัดมันก็เอาขวโมกกำนัดน่ไปแกขัมันเห็นโทษเห็นไผ่ก็เอาอันเห็นโทษเห็นไผน่ไปแกขัวมันทองเที่ยงในวัดตาสงสาร มันผ่านชันปฐุทุกทั้งปวงมันก็เอาอันบัท้องเที่ยวในวัดตาสงสารอันบัตรผ่านสั้นปฐุทุกทั้งปวงไปแก่มันเพชรก็เอาเข้มหรือเอาสมละแก้มันก็มีแนวแก่ยังมีแน่แก่ว่าใดไพลที่พ้นทุกไปจะกลน ข้วมาตั้งใจปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงศารเสียผีตัวใดมาตั้งใจพระโอรบาชิกาภิกษุสมเนินมาตั้งใจปฏิบัติทำคาสอนของพระพุทธเจ้าตามสติกาลังสียผีตัวใดมาปฏิบัติ มีเน่าอยดเ่าให่ทยยงแน่ากับเพิ่อนฝากรวยเขากินทั้งเพื่อนกุติตีกับนอนทั้งเพิ่อนาออพอนากะห้มทั้งเพิ่อนยากระซูทั้งเพิ่นอุ้มไม้ขีดไฟกับเป็นทังเพิ่นหูุกนึงเป็นภูมิะมันเทียบวุเทเวลาองค์ไหเอามาให้กับมันอำนาจวาฒนาของเพื่อนมัมดละคนทุกคนจนเอามาไห้ก็ได้ เขาออกมาในโลกทิพย์คนเรื่มใสในพระพุทธศาสนาเม่ได้มีแต่คนรวยเมื่อคนจนเนี่สิเหตุจังไรคนรวยกพ็พิมขายได้กพ็พิมฟรีได้นะเมื่อใดไรปันไหนได้วระสันตะวันเมืม่อใดข้อเขาอยู่ตอนนีโยใครฮา คนเหลื่อมใส่พระพุทธาศาสนาหรือว่าใส่มาเป็นคนรวยเมือ่อต้นคนจนก็มีเขาว่าคนรวยเพราะที่เหตุอดฟี่อดบ้านอดเมืองคนไหนแบบคนจนเนี่ยา ส, ายสิเอาเสมาฟี่ไม่ได้หลัวองศ์สิถ้าเขาจะกิน พระสุนุกทีหโมกับบมีล่ะมูลค่าที่มันเกิดมาในพระพุทธศาสนามันไม่ไร้ประเภทประเภทองค์กระถิน ธรรมเนียมของครูบาอาจารย์เพิ่งกรจายเป็นของสงฆ์แต่รวงปู้มหายอดเข้าไปอีกแต่งเพิ่นบังหวังเอาเป็นส่วนตัวของเพิ่นหรอกงนอกอ น, นอกมันแม น, มนก็สงฆ์อุปโลกให้ผมหมดแล้วนี่ว่าสันคุณผมชีโรผมเอาผู้เดียวผมก็บเบิรเป็นนวัดปรัสิซียก็ได้วะสัน แต่ทำเนี่ยมันเคยเห็ดบ้างเห็ดนําทำเนี่ยสื้อได้มันไม่เห็ดนํำพอมีหน้าเด้หนิว่าจะพวกไอ้บ้างซา ป, ปิว่าล่างไม้เมดสองอุปโรใครแหลกล ว, ว่าจะมันก็เป็นของผมผู้เดียวหนิคนผมคีโล่ผมเอาผู้เดียวพบก็บว่าจะเป็นปรสิตได้คนม อ, องเสียแต่หากผ ม, มเอาผู้เดียวดอกว่าจผมเอ า, า ห, หัวหงมุขจักว่า แล้วปูมหาพอทอนบคือกันน่ะกระัหรืออันไหคือกันใหล้วเพ่อนอุปโลงให้มูออุปโลงให้ผมแล้วเมื่อทอดกรินแล้วนั่นผมสมกวยให้ไฟให้ผม่นได้จัดได้ตีไว้สัตวไปอยาดอันก็สวยเอาสวยเอามันสิมนบะเพ่นหายให้ป่ะเกิดว่าเมนด้วย เงืนที่เขาหายไหม้อนี้มีเงินหลายประเภทเขาหายเชระบาดสองแบบขลุพันธ์หนึ่งและหูพันธ์หนึ่งและหุพันธ์ก็มีสองประเภทและหุพันธ์ของบุคคลเป็นจำนวนหนึ่งและหุพันธ์ส่วนร่วมเป็นแนวหนึง่งส่วนขลุพันธ์มันเป็นเป็นของสงแน่นอนละ่ะทึ้งเขาจีบาวา่าสังกษชาชโอโนน้ยชยาะมะกษัริย์มันก็เป็นเงินสง เป็นตือนน้อยเงินบาทนี่สามบาทสี่บาทนี่ก็ดีนับเตืนหน่อยละหลาหลายผู้ค้าอยากเอามาเป็นค่าไฟฟ้ากระสัน <c oughs> มันก็ต้องแยกไว้ให้เขาเนี่เฮ็ดบันที่มาล่งมาเสียงมาได้ <c oughs> ผู้ค้าอยากเอามาสางกุฏิหรือซอมแซมกระสันก็ต้องแยกไว้ให้เขาเนี่ต้องลงบัญที่หมายเหตุไว้ยตั้งหากนี่ เงืนส่วนอื่นมันขาดนั่นสิม่นเอาไปห้องเขาไปใส่ก็ต้องเป็นฐานยืมมันจังส้มหมุนเนี่ยพอไม่ไเงื่อนส้มที่เขาหายมาธรรมาดาซื้อหาบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งก็ดีทรรมเนียมเขาก็มาหายผู้ใหญ่เป็นธรเนียมเขาเได้ไม้เหตุวาเห็ดหยางอันนั้นเราสืบหมุนเห็ด เวลาคัดของมาสิไปใส่ในปุ๊กคลิปก็ได้หรือไปใส่ในส่วนร่วมก็ได้หรือไปเห็ดขลุพันก็ได้เนี่แต่เราสชเห็ดอันนั้นเขาบอกว่าไหวเห็ดอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนไหนเขาบอกว่าเอามาถวายพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยถ้าพระผู้เป็นเจ้าที่ใส่นี่เป็นประเพณนึงอันนี้ อันนั้มันก็เป็นกรมรมสิทธิ์กับผู้หลับที่พ้นม่ห ม, มอบเป็นของสงหรวกย่ อ, ยอมให้ใส่สาธารณาทั่วไปเนี่ยมันก็ควบกว่ควบข ว, ว, ว, ว, วงของเพลินควมเป็นถ้ำของเพลินความอเห็นแก่ตัวของเพลินอันนี้ปัญหาสอดคำอาวาในเวลาไป เอาบุเอาท่านเงื่อนข้าพรวันละหน้ามาองรลล่าลอยก็มีเขาถวายองร่า ล, ลอยมันไปใส่เมื่เวลาบัตรทานนี้จากนี้ไปสมบรูรณ์ใดพระเวะ่าก็ให้หลายกว่าอันซุ่มใดมาแล้วนี่สิมาถามเอาใส่อีกเวลาไปก็จัดให้เลยหลายกว่าอันสุ่ม ใ, มมมาามใดม า, าอ่นนานซ้ำคันที่ใส่เงินไผเงินมันย่ามเขาแปลว่นาอะไรนาสัน มูทั้งหลานเไ่ได้ใส่สั่่ไม่เนใส่จะจะซื้อหนังสือกับยังบพ่อบอกองศ์เอาหลอดว่าคือเท่อนั้นเขาบอกว่าแล้วน่าสี่สิบบาทหรือร้อยบาทเนี่ยไปใช้หมดมาถ้าพวกขานี้ไปสั่งมาเห็นหายไปนะหายเนื้อชุมงานไปเลยดิก็กินยุนี่คียุนี่เนี่ยอันเมื่อนี่นะพี่จะน้าดเนี่ยย่าให้เป็นปัญหาเลยบอกหลัดไปหมดนี่ พวกมาบวชน้ำสามเดือนเวลาไปกระหงงายเงินไปพุรพันธ์เน้เขามาถวายเป็นบุคคลองครับ่อยบาทมันมันมีพ่อสองเท้าอบอกได้ไซสันไปอันนี้ไม่มีใครคัดคองหอกเขาบอกรับชื่อๆนี่เขาอกรับทิศทีของมู ไ ม, ม่พูดได้แปดมากแล้วก่อ น, นมูสิวิจา ร, รา์ัเปราก็ถือว่าในเรื่องเงินเนี่ยเข้าเขาปลอกข้อมอบินทำว่าวงดูปพาพรอนท่อนสบายก็คือกันจะมาโยนีคันว่าเข้ากับตุนไว้ คิดเฉลี่ยมันกับปีละหาใหม่ส่งออกไปวันอื่นยุ่กับคุณอิมกับขึก้กันหน่อยๆคนก็มียุคปีละหาใหม่หกใหม่เก็ดใหม่คุณก็มี่ยี่สิบเจ็ดปีห้าเก็ดสามสิบหา้าหาสองเป็นสิบเป็นสิบสามมันไม่ลอยกลัวบอ่นี่ นับยางตะตำสำัมฤทธิ น, นี่ส่วนมุ่งมานส่วนเป็นพื้นเป็นพีนเบ า, เบาเนี่คนที่เพลงโทษว่ากับตุนนั่นนี้ก็ได้หนาที่มุทิคิดอันนี้จะให้มันมีฝังในหัวใจสิว่าแก้งออกนีง มันอยู่ส่วนยามันเสียมากมันก็ไปได้โลแต่คุดเข้าเลยคุดคุดคิดก็ได้โลอยู่คือกันของส่วนรวมไหบอกของสัตว์ขาพรอนทอนสบายที่มันได้มากหามีต่ำไม่สูงบันเป็นห่วงดอกหอยหุจักรกลาเทศะเส้นเป็นต้นว่า ผาลิสปอยที่ห้าปอเคยได้ทางห้างห้าจังได้อยากจะไปเห็นตกแก่โก้ผู้เดียวไปตัดผาดสบงสเสบียงนุง่มก็เอาไาตัดซบบาทหรือยามห้หมูห้เพื่อนจังเสร็มันจังแมนด้ของอันอื่นมีอยู่คันโมมีนอื่นของแมนมั้งอาจีว่ามันถือออกพุทธสามพื้นก็ได้ยุสมเออนี่ ที่หาผนเปลี่ยงถ้าในเรื่องตัดผ่าตัดแพร่ก็คือกันขันว่ามันขันเก่าคอยกบบ่ใส่ตัดมุนตัดว่ายเหมือนอันนั้นเทากับบ่ยอมเลยอันนั้นมีจั ก, กราเทศสามันผ่าขันหาพราะองค์เจ้ากับทรงอนุญาตอยู่แล้วเ้าปฏิวัติมากกับบฏิฟีน ปันเสมอนี้ดอกถ้าทั้งข้าเอาเขาเกาเขาตาับจุเดเนาะมาท่ามูเนี่ยมันวาดชนะร้ายก้อนห่อห้ามข้นขีดทุกบวชมากก บ, บาดก็มันบาดเกาเขามูห่อเนี่ยสนุกเลือกเอาเพรามันจะแตนเน็ตก็ไม่จังใดเออภาวานาบอกบ่ขืน ด้วยแบบขื้นอบก็บ่อยากเอาไปแน่นละ่ะยังตามขอขอให้เขือบเถอะ้ะในผ่าคือกันทำาเนี้ยของผ่าขันว่ามันผ่าได้ปีนี่ก็บม่อยากตัดกันก็ไ่ถึงได้ส่มเก่าก็เก่าไปเรื่อย ก็บรรเทอันนี้ก็ได้กล บ, บาว่แม่นห่วงบอกให้ไม่เปลี่ยนถ้ำอ น, นี้ผู้าาาาบบา่าพุทธศาสนากลบาวว่าแม่เท่าผู้เดียววัดกันยังวัดทันห่างอันนี้วัดก็ยังเป็นวัดเต็มภูมิอันนี้เท่าสิคือจากบูชาได้กิเลสเท่าผู้เดียวมันก็ บ, บึกเทาว่คือหนาขคือลัง นันนี่ผาที่มันบางพอตัดผ่าทั้งข้าได้พอเป็นผ่าทั้งข้าได้พอเป็นมุ่งได้หอกกระแสวงเลยพัตัดผ่าทั้งข้าพเพราะหอกความเร็งซีเนึยสเลยผู้อื่นออนี่บลกว่อก่นใ อันพาพ่อทิมเข้ากับจังทิมแน่พพ่อทิมกัยญาติทิมก็มกให้มีตามีจุนในจักบอนนรืว่าจะขาดกลางในทิมโรดทิมโรดเต็นนนม น, าาต น, น, นี่น้ำกุดน้ำกิดม่นพิะาุกหรือว่อาจะตอกลางนี่นี่คือเบื้องพระอนุ่นนู่นพาะขาดแล้วเขยังเอาไปฟักไปหยําใส่ปียะ ท่ากุฏิอันที่มันแอมใหม่โดยใหม่โดยยังเอาไปท่าไปยังหรือฟักแล้วผสมผสมกับดินปันเต่าคนยังส่งอนุญาตว่าพาระอนุ์นเป็นภูมิคติเมลลนี่นล้วมาปีนั้นแล้วมาเทศฟังซ้าะดีกทิน ผ้าเบีงเปิดหนึ่งเหลืองๆผ้าเบีงกันหนาเอาไปเช็ดตีนผ้านดีๆอยู่เราลเลยเอาไปซักไว้ว่าเก็บนี่สมควรพ่อเห็ดเพดานจังเห็ดมาสมพวกพ่อเห็ดเพดานกลยเยอะสุดเห็ด องพุโทโธ่แม่ทวงนิดเทืยวนึงเขากืนาจากอายเลยเพรพาเพศด่านพื้นนี่คือดีๆยูโบฮันเห็นขาดจากบอล น, นี่แหละเห็นยูนาา่ทำามออกมาที่ทำผมเป็นคือท่านอมุ่นก็ใส่เพไเอาไปเอาไปเฮดนาเอาสุกิยใ่หละขิมก็องโยกยุุดสามพืน้นสี่พืนัดเอาไม่ตะพด ถือเระออกกับสูงไฟทิมใช้กันยังดีเอาวา บ, าบ่บ่ดีบ่ถือน้อประเทศไขว่ข้าว อ, อ, อ, อ, อยู่บ้นชีเชียงใหม่บ้นหมอสีเชียงใหม่ข้าวอยู่บ้นวางแถวบ้านนาทีดานี่ พ่อเกามังเกาหมังนี่ทิมพเกาหมังเก็มังนี่ทิมมาันประเทศเพืด่านมาสนญาญโยมเขาเยกว่ามาฮายตีบานเนี่เขาสังเกตบ้างว่าผู้ใดบ่มีเขาจังเอาไปบองกูดเอามาสันถือทอละมานเช่นึงเลยห่อมาสันมาปีดดู่าสันเขาเห็บตัวสัสูงเมอนมือดแล้วเหมนไอ้ี้พ่อด้ใส่ขึ้นกันคิดกันแต่ว่าไม่น้อยไม่หลายซื้อใอยู่บ้นใดพ่อจะใส่มัดผ่าสูง บุญพระคุณพระธรรมพระสงฆ์บุญ้ว่าอาการพิกันว่าจะมีหน่อยไม่ลายอ้สะนะถ้าอยู่าใส่ก็ไม่พอใจแต่ตาบหน้าตาบลังหรอก ความเพียรมันของสำคัญที่สุดสาธารสิตธังอยู่ได้ก็เพราะปฏิบัติเพราอความเพียรนีทิฏฐีเสมอกันไัยกระหวังผลทุกสุทัรทุกคนไักระหวังปฏิบัติเพื่อศีลธรรมภยัยของมันให้มันเจริญไปว่างแผนปลาเทือนอยาจพุพากันไปเหตุ จับ ก, กบจับเรากันว่างแผนปลาเทือนบัถือม่ดเจริญแกจะของด้วยมัดเจริญแกซ้ำหนักด้วยแกว่องตะกูลท้องเฮาอีกด้วยวงตะกูลท้องเฮ า, าที่ไม้คายอะไรหว่องตะกูลลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราเป็นส่วนประมาทมันสายไร กระแสหลูกทิศพระพุทธเจ้าหัน่ะบดมันสืบสูดเป็นสายหลวงปู่มันแกไม่สายลูกทิศพระพุทธเจ้าัน่ะสายพในจาร์ซากสายลูกทิพระพุทธเจ้าน่ะ สายทันศีกสายลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคนละันเี้เถือกอค่ะขันพ่อที่เป็นลูกศิษย์เพิ่งไนเป็นลูกศิษย์เพิ่งไนก็นับจาพระโสดาบันขึ้นไปนี่จังสิเตียมภูมิตำขนาดลงมากก็เป็นลูกศิษย์ส ม, มุดลอุบาศกอุกบาศกาก็คือกัน